ต่อครับ5่าจตกต้องประเทศอาบาัตสิขาบทนี้เพือพ่อนพระเจ้ทาทรงฟารับเข้าไยเถระในวมืงสามวิถีบรรยัติได้แล้วเพราะเหตุคือการชั่งสือให้ชายหญิงเปนผัวเมียกันคานี้ว่าตั้งขนิการยุบิแม้กำลางบํเรอชื่เช่ามาดังนี้จัดเป็นอนุบรรยัติในสิขาบทนี้ สิขาอันบทนี้เป็นสารธนรณบัญญัติก็คือของพิจุนีก็มีคนระัเท่านี้นะมีเหมือนกันชักสื่อท่านก็มีครับอืมตก็เป็นสารติการ น, นะครับใช้คนอื่นไปก็เป็นนะตามในนี้คือรับคาของผู้วานไปบอกฝ่ายหนึ่งและให้อันเจวาสิไปบอกแกผู้วานครับคืออย่างนี้นะเราเป็นคนรับคำครับของฝ่ายให้ฝ่ายหนึ่งก่อน เราทำแต่เราไม่ได้เป็นบอกเองใช้หนังสือมันเป็นบอกเนี่ยแล้วก็เรากลับมาบอกหรือว่าเราใช้นังสืงเนี่ยกลับมบอกก็ได้ความพิสูนนก็มีคือทั่วไปทั้งแต่พิสนแลพินครับบอยฟังหนึ่งแล้วแต่อันเท่ากบน เมื่อพิสูจน์บอกความประสงค์ของหญิงของบุรุษแก่หญิงคนใดคนหนึ่งนอกจากหญิงที่ยังไม่ได้หย่าร้างกันถ้าเขาแยกกันอยู่จริงแต่เ้ายังไม่ได้อยากกันเนี่ยอันนี้มันเป็นอาบัตนะครับข้าจะโปรธจะงอนกันเหมือนชู้คราวนะหญิงก็เลยหนีกันไปอยู่บ้านแม่เลกอะกันนะงอนใหญ่เลยอันนี้ยังไม่ได้อยากกันก็เลยให้ท่าไปช่วยพูดให้ถ้ายังไม่ได้อย่ากกันอย่างนี้ก็ยังไม่เป็นอาบัต แม้แต่ท่งนกับหญิงมาได้แม้แต่แม่เรานะถ้าอยากพ่อเราไม่ได้ต้องการจะสื่อให้รู้ว่าไปเป็นภรรยาที่เช่ามาแม่เป็นเมียเช่าใช่ไหมเป็นต้นครับไอ้ท่านยกภรรยาเช่ามานี่คือพูดว่าในฐานะญาติอุกติไม่ออกว่าอย่าผู้อื่นภรรยาธรรมดาอะไรนะแม้เป็นภรรยาที่เช่ามาพยักเพื่อหาเนี่ยก็ยังต้องอานบอกเวลาบอกถึงจะบอกว่า ให้เป็นหญิงหญิงที่อยู่ด้วยความสมัครใจเป็นต้นก็แค่ในประเทศหคือฝ่ายชางเราไปบอกน้าฝ่ายหญิงว่าหญิงมาเป็นเมียชาติแต่ว่าพระไม่ได้บอกอย่างนั้นพระบอกว่าให้มาเป็นเมียด้วยความสมัครใจนครับนี้ถือว่าไม่ผิดสังเกตนะครัไม่ผิดอะไรควงไรมาเป็นเมียเหมือนกันครับก็ถือว่าไม่ไผิดสังเกตตรงเร่องช่องในองค์นะครับเมื่อทํางานสศึก้าเนี่ยจะพูดว่า พูดทางาานี้มหมเราจะหาไม่ใช่ไหมครับกลายเป็ว่าเขาทําหมาคัครับก็เป็นอานเหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกนันครับไม้จะพูดอย่างนี้นะผิดเป็นคํำนะะึงครับก็ก็โดนนั้นนครับประเภ ท, เทนี้กับเพศนี่นะครับหญิงนั้นจะเล่าว่าดีก็ตามไม่รั่ก็ตามชายจะเล่าหรือไม่เล่าไม่เป็นมานะครับกล่าวมาบอกข่าวนั้นแต่ผู้วานต้อนบัสํงฆาตสีเนี่ย <c oughs> พรนะองคฮะงก็ต้องมาพคพากษาดีเสดนะครับก็หญิงที่บอกแล้วนั้นจะเป็นภรรยาของบุรุษนั้นก็ตามไม่เป็นก็ตามนั่นไม่ใช่เหตุนะครับเหตรง้ีงไม่ได้ว่าเขาจะต้องเื่องมาแต่งงานกันหรือร่วมกันนะแค่เราทำอะไรด้านสามขั้นตอนนี้เสร็จแล้วนะครับก็เป็นนะครับหญิงอาจจะไม่ชอบเลยที่ผมไม่ชอบขี้ น, น้นขาชาวนี้ไหนขี้เกียจตา ไปอยู่ด้วยก็โหลำบากเอ๋ยอมต้องทำงานลำบากไม่เอาหรอกอย่างี้นะแล้วพระก็ส่องสีไปบอกพี่ชก็เดินเหมือนเดินครับครับเดินเหมือนเดินั้มรักค้กเ้าาอยู่ด้วยกัน ถ้าแม้ว่าทิ้ศสุไม่พบที่จะพูดตนต้องการจะบอกเขาได้ไปบอกกับผู้หญิงคนนะั้นใช่ไหมแต่ว่าไม่เจอหีิหงอาจจะไปเที่ยอะไรที่อื่นนะครับฝากบอกแกใครก็แล้วแต่ที่สามารถจะไปบอกกับผู้ที่ตนต้องการบอกได้แนะ่นอนครับแล้วก็บอกพ่อบอกแม่เขาแขนก็ได้หรือแม้แต่บอกทางสีเนเดือนนะั่นแหละอกน่บอกคนรับใช้ในเดือนนะ่แหละให้แกบอกกับผู้หญิงนี่ด้วยนะครับ ก็ถือว่าบอกเหมืกันครับอืขอให้คุณช่วยบอกด้วยนะหดังนี้กลับมาบอกแก่ผู้วางก็ครบองใช่ไหมนี่ก็ต้องอาบัตรสังฆาพิเศษเหมือนกันครับแล้วครองแต่เมื่อวิสุทธิ์ถูกวางให้ไปบอกหญิงที่มีมาดายูเล่ย์อยู่กลับไปบอกหญิงอื่นมีหญิงที่บิดาเล่ย์อยู่แต่ต้องเชื่อผิดเป้าหมา พ่อไปบอกผีคนนะคะันี้ก็จะใช่นาบัตนะแค่บอกผีคนนี้ที่อยู่กับแม่นะครับก็ไปบอกผีคนอื่นที่อยู่กับพ่อเนี่ยอันนี้ก็ไม่ใช่ผิดคําศั่งไม่ไม่เป็นนาบัตรฆ่าเครื่องคำสั่งแม่ต้องบอกทางทิเศเสยนะครับ mm hmm. พิสูรรับคําของชายหรือหญิงด้วยชายก็ดีเน mm ี hmm. ่ยก็ชายหรือหญิงบอกอก็ไม่ใช่บอกฝาหนึ่งอย่างนี้เราจะพย้าหน้ารับงั้นก็ถือว่าเข้าองนะด้วยวางจาก็ดีได้ มีปัญหาครับหีืด้วยทั้งกายและวาชาก็ดีบอกแต่หญิงหรือชายนั้นก็ดีนะครับเอาไปบอกเองก็ดีนะใช้ผู้อื่นบอกแทนก็ดีครับแล้วก็ส่งอันเตรามสิกไปด้วยนัญหาหรือว่าถ้าขึ้นกันไปบอกแทนเนี่ยก็ข่าอาหมือนครับบุคคลใดส่งตอนไปนะครับเมื่อบอกข่าวสารเก่บุคคลนั้นบุคคลใดส่งออกไปใช่ไหแล้วกลับมาบอกห้อนะครับ หรือให้บุคคลเอื่บอกแทนเราไม่ได้กลับมาบอก mm hmm. เองหรือเราใช้ลูกศิษย์ให้กลับมาบอกป้าชาตอนแรกเหมือนเดิมครับอันนี้ต้องบัญญังคิคาทิเซเพราะว่าด้วยการกระทําอย่างนี้ชื่อว่าครบองศาครับนคะือรับคําของผู้วานไปบอกกับอีกฝ่าหนึ่งและกลับมาบอกแก่ผู้วานอีกนะครบองศานี้ก็เป็ น, ปนคาทิเซนหาบนี้ได้เนะแต่จะมีองค์5อีกนะ แต่จากนี้ไปเมื่อบอกได้องสองจะด้วยวิธีใดก็ตามหรือครอบองสามแต่การใช้สื่อบัน đỏ ครับใช้สื่อพวกกระเทยนีนะ้จะต้องบัตรถือหน้าจากักรถ้าได้แค่องเนียต้องบัตรถกดเนี่ยจะยกตัวอย่างว่าที่ไม่ครอบองเป็นลนนักษณะไหนนะครับเป็ น, นี้อ่าท่าบอกว่าไม่ครบองก็เป็นลักษณะ น, นี้ครับ พิสูรรับคํานําไปบอกและกลับมาบอกขอ้องูลสารนิเศษพิสูรรับคํานําไปบอกนะครับอีกฝ่ายหนึ่งแต่ไม่ยองกลับมาบอกคนระับถ้าเราหลุดไปเสียไอ้ น, นี่ได้องสองใช่ไหมครับจะต้องบัดนิจใจถ้าพิสูรรับคํเขาปุ๊บไม่นําไปบอกครับไม่ไปบอกนะนกนะแต่กลับมาบอกถ้ารับคำปุ๊บเนี่ยท่าไม่ได้ไปบอกเขานะครับถ้าน ไ, ไ, ไปเลิกกินอย่างอื่นนะพอดีไปไี่ยผู้ช้างเขาพูด ผู้หีกผีคนั้นว่าละไม่ละอะอย่างนี้ครับแล้วก็เอาคำของฝ่า ย, า ย, า ย, ายนี้เนี่ยใช้ใช้มได้บอ่อจะไปฟังแล้วผู้เฉยนะครับกลับมาบอกกัฝ่งแรกนี่ถูกว่ได้องสองก็ต้องบัตรถุนจักแล้วก็รับคำเขาอย่างนดียวไม่นาไปบอกไม่กลับมาบอกอันนี้ด้านหนึ่งองค์ก็ต้องบัตรถุ ก, ก่อนถ้าที่สูไม่รับคำไม่รับคำเขาแล้วนำไปบอกกลับมาบอกต้องบอัตรึนุนจกัก คือไม่มีฝ่ายราวานตนใดเลยนะยูดีเตยเป็นคนจัดแจงเองหมดนะครับเนี่ยต้องกาให้สองคนได้เป็นหัวมีได้อยู่ร่วมกันนะทั้าที่ฝ่ายฝ่ายชาก็ไม่ได้มาบอกท่านนะครับท่านก็นําไปบอกนะครับไปบอกเองอย่างแล้วก็มบอกฝ่ายชายนี่นด้เอาสองต้องมาถึงนัการย์แล้วก็พิสูรรับคำรับคำนําไปบอกไม่กลับมาบอกต้องมาที่กบรับคำอย่างเดียวแต่ไม่ทํำอะไร ก็คกดมันทบจะเก็อืมออ ค, ครับค่รัดนะครับหน้าแค่องเนียอยงคหนึ่งเนี่ยผูกดถ้าหน้าสององแล้วการที่สูไม่รับคําไม่นําไปบอกแต่กลับมาบอกนี่เป็นอย่างไงไม่รับคําด้วยไม่นําไปบอกด้วยแต่กลับมาบอกนี่เป็นอย่างนี้ครับฟังคําของผู้ชายแล้วก็ไปฟังของผู้หญิงนี่ได้มีพี่น้าพี่ถึงผู้หญิงว่าเขารักข้อสอบใช่ไหม อย่างที่ได้ผีคนนี้เป็นเมียเน่ยให้เขาฟังท่านนะครับไมไ่รับปางท่า น, นฟังได้ยินเขาพูดนะและท่านก็ไปหาผีครับไปที่ผีอยู่นะไปฟังเา้าผีไม่ได้บอกผู้หญิงนะครับเขาไปฟังของผีว่าผีพูดยังไ ง, ง น, นะครับแต่ตก็กลับมาบอกผู้ชายอันนี้ก็ได้องเดียวนะคมีกลับมาบอกนเองเป็นอันบัตรที่กด น, นะครับถ้าไม่รับคาไม่นําไปบอกไม่กลับมาบอกเลยอันนี้ไม่ต้องอ่าน มันจะมีตรอย่างนี้นที่น่าสนอันนี้ข้อเรียนนครับสรุปเลยเกี่ยวกับว่าสั่งนะสั่งถ้าหมายว่าพิสุอบุรุษสั่งพิสุรูปเดียวไว้ว่าข้าแต่พระคุณเจ้าขอพระคุณเจ้าจบไปบอกสตรีที่มีชื่อนี้นะวานพระเสบอกแล้นะครับ <c oughs> พิสุรับคาได้หนึ่งองค์แล้วใช่ไหมครับให้พิสุอันเตวาเวาสร็จไปบอกให้เขาใช้รูปสตกเป็นบอกนะไอจใช้รูปสตกเป็น บ, บอกก็ได้องค์เหมือนกันนะครับทั้งก็ได้สององค์แล้ว ที่อันเตวาสิตไปบอกนะครับแล้วกลับมาบอกภายนอกคือไม่ได้กลับมาบอกอาจารย์ไปบอกข้าเช้าเองครับไม่ได้บอกอาจารย์ก่อนต้องบัตรดนิยมใจทั้งสองรูปเพราะว่าอาจารย์ก็ได้องสองคือเล่าคำและเช้าอเตวสิตรไปบอกนะครับอันเตวสิตรก็ได้องสองคือไปบอกเขาแล้วกลับมาบอกไม่มีใครได้สารองเลยนะครับเพข้ ะ, ะนั้นทั้งสองรูป ก, ก็ต้องบอัตรนิยมใจ มันต้องอาบัเมื่อปางรื่จิตของสงเจดีหรือคนไข้ได้รู้สู่บ้างเป็นต้องนในกรณีที่ไอ้ท่านู้สูงนะ้ตาเราจะ ไ, ป ไ, ปได้คืออุโบสถอุปกรณ์สถาธรรมเข้ากําลังสร้างโบสรวิหารอยู่เนาะรหรือว่ามีการอะไรอะไรอย่างอื่นนะของกระสงเนี่ยของม่สุ่ธิสงที่ทําคั้างไว้อย และทีนี้โยก็มาช่วยงานทเป็นเจ้าภาพด้วยอะไรตั้งแต่นะครับแล้วก็มาช่วยเรื่องของสร้างเรื่องอะไรเนี่ยและก็วางที่สุให้ไปสํานักของอุบาสิการหรืออุบาสิกาวางที่สุทไปยังสํานักของอุบาสกาเพื่อต้องการอาหารและค่าแรงงานสําหรับพวกคนงานพวกช่างในการสร้างโรงโบสถ์สาการณ์เป็นต้นนั้นเมื่อทีสุทไปด้วยกรณียากของสงเจนนี้ไม่เป็นอาบันะครับพอถือว่าไปด้วจิตสมนะ บางส่งบางกิจการที่ก็มาทํางานบ้านเนี่ยก็มาทําให้สองนะครับเพียเลยว่าอาหารกรณีค่าจ้างตรณีที่เรามาเลี้ยงคนงานเนี่ยมันอยู่ที่บ้านใช่ไหมครับก็เลยใช้ค่าใหไปบอกเอาไปบอกแม่ใหยหน่อยนี่นะหรือไปบอกอุบาสกาวบาสศหน่อยนะครับอันนี้ก็ได้เรื่อเนื้อกิจสงอยู่ไม่ได้เป็นการรับใช้อยู่นะเพราะว่าอาจารที่โยมก็บอกเราเนี่ยก็ไปบอกเรื่องกิจสงจะได้มาให้ค่าจ้างให้ค่าอาหารพวกนี้นะ แม้ในเจตียกรรมนะครับกาลังทําพระเจดีย์กันอยู่นะก็มีในนี้เหมือนกันโย่ให้ไปบอกก็นี่ได้ไม่เป็นอาบัติแต่พิสุจผู้ อ, อุบาสกวานแล้วไปยังสํา น, นักของอุบาสิ ก, กาหรือพู้ อ, อุบาสิ ก, กาวานแล้วเป็นสา น, นักของอุบาสกแม้เพื่อต้องการยาสําหรับที่สูจน์อาพาธนี่ไม่เป็นไรนครั บ, รบอาจจะมีภาพป่วย้าพลูกชายเขาเนาะพ่อหรือแม่เขาก็มาดูแลใช่ไหมครับแต่ว่าหยุกยาอะไรอยู่ที่บ้านเนะี่ย อะไบอกให้พาไปเอายาที่บ้านมารักษาพาระตัวนี้อันนี้ก็ได้นะครับพิสูจบ้าและพิสูจอภิกรรมการไม่ต้องอานบัตรเราไปมาดูองค์อ่านบัตรนะครับองค์อานบัตรการรู้ละเมิดสิกขาแบบนี้จะเป็นศีลวิบัติสิค้าแบบนี้มีองค์ห้าคือหนึ่งบุคคลที่พิสูจน์ชักสื่อมีชาติเป็นมนุษย์ถ้าชักสื่ออมนุษย์เนี่ยถ้าสามารถทำได้นะจะต้องบัตรถึงนักจัด อสองบุคคลนั้นไม่เป็นผัวเป็นเมียกันหรือเป็นผัวเป็นเมียกันแต่อยากหักกันแล้วหักแล้วสามลัทธิคำของผู้วานสี่บอกแกอีกฝ่ายห้ากลับมาบอกแก่กู้ว่านดูไอ้สามข้อสุดท้ายเนี่ยเราก็เข้าใจแล้วใช่ไหมครับข้อสองนี้ก็ดูให้ดีนะว่าเขายังไม่เคยเป็นผัวเมียกันอยู่ก่อนหรือว่าเป็นแต่อยากหากกักแล้วอย่างนี้ยังไม่ได้นะ ไปชักสีบเข้ามาอยู่ร่วมกันกันไม่ได้ครับต่อไปที่เขาสมมุทฐานอาบัตเป็นต้นสิก้าตัวนี้มีหกมีสมุทฐานหกได้ทั้งหกเลยครับเมื่อพิสูจนไม่รู้ข้อบัญญัติหรือไม่รู้ว่าสามีภรรยายอย่างกันแล้วอันนี้ก็คือเป็นสมุทฐานที่เกิดจากไม่มีจิตนะครับไม่มีจิตอะไรไม่มีจิตในสิกขาันี้ทั้งสองแบบนะครับ ไม่รู้ภาพบัญอย่าก็เชื่อว่ามันมีจิตในข้อนี้นะครับหรือว่าไม่รู้ว่าสามีภรรยาเขาอยากขาแล้วถ้าเข้าใจว่าเขายังไม่ได้อยากกันเข้าใจว่าเขาโกรธแยกกันเฉยๆนะครับอย่างนี้ที่ว่ามันไม่มีจิตนะครับเพราะไม่มีใจได้จะร่วงละเมอครับไม่รู้ภาพบาญอติต้องมีหรือไม่รู้ว่าเขาอย่างนั้นมันก็มีนะครับอันนี้ไม่มีจิตแต่ต้องแบบเหมือนเดิมนะถึงไม่รู้ถ้าไปชั้นสืบเขาก็ต้องทำแบบเหมือนเดิมนะครับที่เส้นเดิบ รับข่าวสารมาด้วยการนะครับก็พยักหน้าก็ได้นะครับบอกด้วยการเหมือนกันใช้ประษามืออะไรนะว่าผู้ชายคนนั้นรักคนนี้อะไรว่างไรนะครับกลับมาบอกกับผู้วานก็อยากนั้นเะครันี่ยก็มาบอกด้มือแหละนะวิธีการนะครับอนนี้อ่าบทชื่อว่าเกิดทางตาครับเดี๋วผู้ชายบอกว่าระบบผีนั้นหน่อยผงชอบกันมากเลย ต้องการให้มันาาเป็นภาษาอะไรกันอยู่ต้มไปภาคก็กอกบอกได้นะครับแล้วบอกผู้หญิงภาษาไม้ภาษามือแล้วก็กลับมาหาพี่ชายพี่ชายก็อกอ้าวพี่จริงนั้นต่ององใช่ไหมยั้นหะน้าคล่องเลยนะครับอะไรนะทีนี้ชื่อว่าจะไปทางกายอย่างเดียวก็ต้องอ่านบัตรเมื่อมีบุรุษคนใดคนหนึ่งบอกว่าจะมีผู้หญิงมาและขอให้ช่วยถามถึงความในใจของหน้า ฟีสูรเล่าว่าดีแล้วท่านก็อยู่ที่เก่านะท่านเลาไราาื่องางใจเรื่อมันดีแล้วาการกับหญิงผู้มาถึงแล้วตอนแรกผู้ชายมาบอกท่านรับไปทีนี้ผู้หญิงมาอีกนะครับท่านก็บอกกับผู้หญิงที่มาแอ้วโทผู้หญิงกลับไปนะครับเมื่อบุตรนั้นกลับมาก็บอกแก่บุตรนั้นอีกอาบัติชื่อว่าเกิด็จทางวางใจนี้เพราะท่านไม่ได้ไปไหนอยู่แต่ที่นะครับฝ่ายชายมาบอกแล้วก็ฝ่ายหญิงมา แล้วก็กระชัยมาทีนึงครับฉันอยู่กับที่บอกไปลนเะพราะแม่ทําสี่อย่างใดอย่างหนึ่งด้วยการทิ้สูรรับคำด้วยวาจาว่าดีแหละนะครับดังนี้แล้วไปบ้านของหญิงด้วยทุลัออนะ ก, อ, กยนะลอย่างอื่นนะครับถ้าไม่ได้ตั้งใจไปบอกผู้หญิงนะไปทุลากอย่างอื่นนะครับหรือเห็นนางในเวลาที่ตนไปสถานที่อื่นพอดีไปเห็นผู้หญิงคนนี้พอดีนะก็เลยบอกกนเลยครับบอ ก, กเลย อนนี้รถือว่าเป็นองค์นะครับบอกข่าวสารด้วยการแปลวาจากลับจากที่นั้นด้วยเหตุอื่นเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> ก็กลับมาด้วยเหตุอื่นนะอาจจะกลับมาว่าอย่างนี้นะครับ <c oughs> ก็พอดีมาเจอกับผู้ชายคนเดิม น, นะ น, นั่นเพราะุตที่วาณั้นในบางเวลาจึงบอกให้ทราบอาบัติชื่อว่าเกิดขึ้นทางวางจาอย่างนกัเพราะว่าถ้ามีความพยายามไปด้วยการอธิษฐานไปก็ไปด้วเหตุอื่น พอดีไปเจอพ่อพอดีนะอันนี้ก็ช่วยกันมาใาสายย่เงียส่วนพระขีนาศพผู้ไม่รู้พ่อบัญญัติและไม่รู้ว่าบิดามารดาแยกทางกันเพราถ้าท่านรู้บัญญัติท่านยิ่งไม่ละเมิดแน่นอนเงยบนะนี่ท่าไม่รู้พ่อบัญญัติครับและไม่รู้ว่ามารดาบิดาแยกทางกันไปกล่าวกับมารดาตามคำของบิดาว่าท่านจะมาดูแลบิดาของเราดังนี้ครับ ก็มาบอกบิดาอีกครั้งหนึ่งอาบัตของท่านชื่อว่าเกิดขึ้นทางกายและวังใจนะครับเนี่ยถ้าจะยกตัวอย่างนะครับถ้าบอกว่ามาดากับบิดาของพิสูจนะั้นโกรธกันนะครับเป็นผู้หย่าร้างขาดกันแล้วนะขาดกันเลยไะคทับก็บิดาของพระเทล่านั้นพูดกับพิสูจนนั้นผู้มายัางเรือนว่าแม่ลูกโยมาดาของท่านทิงโยผู้แก่เท่าไปกืบคุณญาติเสียแล้ว ขอท่านไปส่งขาวให้โยมมาดาล น, นั้นกลับมาเพื่อตุนิบัติโยมเถิดครับ ม, มันเลยพัวให้มันมาเป็นภรรยามาเป็นอะไรนะในญี่ปุ่ น, นรครับแค่ว่าให้กลับมาเนามาอยู่ายมาตุนิบัติครับนี่ก็เป็นเพราะว่าถือว่ารู้กันถ้าที่สูนั้ น, น, น, า น, า น, นไปพูดกับโยมมาดาล น, นั้นแล้วกลับมาบอกขาวการมาอันนี้ก็ชื่อว่าเกิดขึ้นาการกลางกั บ, บาวานจาร์เข้อรับคำนะไปด้วยกางบอกด้วยวานจาร์ แต่ว่าไม่มีจิตเพราะว่าท้านไม่รู้ธรรมบัญญัตินะครับหรือว่าไม่รู้ว่ามานานบิดานแยกทางกันแ้วด้วยองศาเอย่างที่ว่ามานี้จัดเป็นอจตกะสมุทามต้องอวบโดยไม่มีเจตนาไม่รู้นะไม่รู้ถ้าบัญญัติรู้ไม่รู้ว่าใครบัญญัก็พิสูรรู้เห็นทั้งสองอย่างแล้วนะครับถ้ารู้ทั้งรู้นะครับรู้ภาพบัญญัติด้วยหรือว่านะอ่ารู้ข้อบัญญัติและรู้ว่าชายกับหญิง ไม่ใช่สายภรรยาจักรู้เพรามันอยากอย่างหนึ่ง น, นะครับหรือว่ารู้ว่าเนี่ยเขาอยากหาแนละ้วหรือเขาไม่ได้เป็นสายภรรยารู้ต้องรู้ครับช้กสื่อโดยวิธีทั้งสามอย่างขั้นต้นนั่นแหละอามบัตที่เกิดขึ้นจัดเป็นสจัก ร, รสมุทัยนะครับอาบัตต้องอามบัตโดยมีเจตนาด้วยจิตที่รู้ความทั้งสองอย่างนั้นนี้ตรงนี้ก็จะได้ กาอยจิตวาจาสิการวาจาจิตกิริยาสิขาบทนี้เป็นกิ to breathe, to ริยาต้องครอบกระหมโนสัญญาม่โม้ไม่รู้ก็ไม่พ้นนะครับถึงเราไม่รู้ภาพบัญญัตินะหรือว่าไม่รู้ว่าข้อยากหาแล้วเนี่ยก็ไม่พ้นอยู่ดีอจิตตกานะครจะรู้ไม่รู้นะเป็นธรรมบัติทั้งนั้นตามนติวัชานะครัไม่เป็นอัวตนอย่างเดียวเป็นตัวตนก็ได้กัศตนก็ได้เจนตาก็ได้การกรรมก็ได้วจีกรรมก็ได้ มีจิตสามด้วยอำนาจแห่งวิสันตจิตเป็นต้นมีเวทนาสามด้วยอำนาจแห่งสุขเวทนาเป็นต้นและจบการที่บาสันจะติตสิทธาบทเฮ้ยทไมะมันมีมันผิดพลาดมั น, นเผลอตัวนะสงสานะสงสามน้องชายนะมีมันนะหรือว่าสงสารนกจับพายแนะมันจะมีนกจับพายนะ รูชายไอยน้องชายเองก็ทิ้งแล้วก็ไปอยู่ที่อื่นนะอีน้องสะท้ายก็ากาามาอกพระก็ไปช่วยเคลียร์ะให้หน่อยพราก็ไปช่วยผู้นะีถ้าได้อาสามนะเขาจะกลับมาอยู่ไม่ได้กลับมาอยู่ก็แล้วแต่ถ้าพรคบโมงเนี่ก็ลงนะครับ อ, อยากถามเนนรีจารก็พูดนะเกี่ยวกับหนังสือเหมือนกันนะ เกี่ยวกับหนังสือหนังสืออย่เหมือนกันการเรียนสมร่อมันนะก็นเซนชื่ออะไรใหญ่างนกันแต่ว่าถ้าไม่มีอย่างนั้นใช่ไหมพ่อมาที่สมัยนี้เขาไม่ยอมเขาไม่ยอมยอบจบเทียนแลใช่ไหมครับไม่ยอมจบเบียนเอาที่ว่าเขาขาดกันแล้วแล้วกันเช่ว่าผู้หญิงผู้ชายสมัยก่อนนะเวลาผู้หญิงมาอยู่ด้วยและผู้หญิงไม่มีลูกใช่ไหมชายก็เลยกลับบ้านชายไม่เอาแล้วครับ นี่ก็อยากห า, หหอ า, าเอาแล้ว่ไครับแต่ไม่เอานะ้วาก็หาผูคนอื่ น, นก็อยา ก, กนไนะแต่ถ้า ม, มีหนังสือสมัยนี้แท้ๆหนังสือนะหรือไม่มีหสือก็อย่งนี้ก็ได้ที่เาตกลงกันเด็กขาถ้าม่อยู่ด้วยกันอ๋อเดี๋ยว ไ, ได้ แล้วก็ดูพยายามดูว่าถ้าถ้าใครก็มาปรึกษ า, าเราใช่ไหมท่าอาจจะชักสืออะไรอย่างนี้นะครับก็าปรึกษาเราก็ต้องศับสาง่ายดีถามให้แหน่นก่อน <c oughs> <c oughs> ผูเกย์ใ่ไหมครับน่ะนี่ต nope ้องบังคับสมรร่ใจใช่ไหมครับไม่ก็มีเรื่องขององใช่ไครับองก็เป็นอับังคับสมรูร่มใจครับไม่ครับไม่นี่คือบาะพวกเกพวกนี้เบานะครับเพราะเนี่ยสมัยพุกาลี้มีดอกว่า ที่สูตรูปหนึ่งถึงการใช้สือในบางแบแลวก็ลังเกียว่าต้องอับัตหซนาริเแลวกาลังหนอพระเจ้าแต่ว่าคุณฝังที่สุดเธยไม่ต้องอัลบัตเซนาิเซแต่ต้องอัลบัตถึงนักจัดเนี่ยบอกเลยว่าไม่มีนักจัดนันจะเด็ผู้หญิงไหมค ก็เล้หญิงท่านชายไม่่มเจอเัอันนี้คนที่ยังมีไ ม, ม่มีแต่วัตถุนะท่านี้พูดถึงเสรษฐีหลังนะบก็มีบุคคลหนึ่งเขาวางที่สื่อใหจแต่อให้ผู้หญิงนะครับท่านก็ไปนะพอไปก็ไปถามคน้ั้งหลายคนทั้งหนายก็บอกว่าผู้หญิงรับยูท่านก็ไม่ไปปลกข้านนั้นไล้อก็กลับนะคะับไม่ได้บอกผู้หญิงน ะ, ะท่านก็กลับมาะะอันนี้ได้ได้องเดียวต้องบัทุก พมเห็น ไ, ไดบอกเอลยเองเรื่องหนึ่งก็ถูกผู้ชายมาวางไปให้ไปบอกผู้หญิงคนหนึง่งพอไปถึงบ้านหญิงผูญิงเขาบอกว่าเอ้าวฟิลนะตายไปแล้วะตายแล้วนะฮะโอ๋อย่างนี้ก็จะตัง้งแบบทุกกฎเพราะว่าได้ให้ออนเดียนนะครับอีกอันหนึ่งก็เหมือนกันอหารผู้หญิงผู้ชายมาเขาบอกผู้หญิงผู้หญิงย้ายบ้านไปแล้วครับไม่เห็นได้บอกไลยนี่ก็ออนเดียล น, นะครับและอีกคนหนึ่งคราบไปไปบ้านหญิงกันแหละแต่ผู้ชายมาเป็นบ้านผู้หญิง พอไปจริงๆก็ปหาเขาก็บอกว่าอ้าวพี่นคนนั้นเขาไม่ใช่ผู้หญิงนะเขจะใช้างแท่แ้ก็ขาวเลยคอันนี้คนีแม่องเดียมอะไรนะครับโอ้ยคกับแ น, นี้ก็สตีบัณฑ์หาก็ไปเขสั่งนันไปแล้วก็ไปหาผู้หญิงเขาบอกอนคนนั้นเขาไม่ใช่ผู้หญิงจริงเขาเป็นทมอมเห็นที่เขาตัดแน่องเดียว แต่ถ้าได้องเป็นครับเ้าเราของผู้ชายล้วก็ไปบอกผู้หญิงนู้นนะครับไปบอกผู้หญิงก่อนแล้วก็ได้ความจริงใช่ไหมครับแล้วก็บอกผู้ชายก็เป็นครับแต่ในกรณีที่เขานี้ไม่ได้อยากหากันเนี่ยอันนี้ก็มีเรื่องเนี่ยสุดชั้นภรรยาทะเลาะกัน แล้วก็มาบอกที่เสือไปช่วยเพื่อนคืนดีกันด้วยเนี่ยแต่คนนี้ยังไม่ได้อยากฆ่กันอันนี้ไม่มีอาบอะไรอะไรเลยนะครับพระเจ้าแต่ว่าดูกล่าที่สุดเธอไม่ต้องอาบัเพราะเขายังไม่ทันอยากค่ะนี่จะไม่มีอาบนี่ครับขึ้นขับขับขับขับขับขับขับขั จะมีนะ้าท่าทุนทะเลนไปตับหมาตัวพวยเกษศษหมาตัวเมียนหรออย่างนั้นนะโหอยางไม่ได้ันเป็นอนาสตาคืออนาจาร บอกหลวงพี่อย่ไปทํำเลยอย่างงั้นน่ะอืมจะเลี่ยงได้ทำไมถ้าก็รู้กันนี่ไี่น่าจะเลี่ยงได้นะเลี่ยงได้อย่างนั้นมันก็ต้องหน้าองค์อะไรบ้างแหละองสององนี้นะห็นก็คุยกันก่อนแล้วนี่มันเหมือนกับว่าเอาไปบอกพิ่คนนั้นนี่ป้ายที่สิบต่ที่ให้รู้ให้ดีมันความจงใช่ป้ายที่สิบหรอก มาที่ที่11งงคู่เป็นอย่างนั้นแหละอะไระกเอ่อ๋อถ้ามบอกนะ้ต้องการกาวันที่10ให้บอกเอเลยเป็นมันเองที่ตกไม่แน่ผมนะเพราะว่าพ่อรู้กันเหมือนกัว่าคำว่าแรกที่สิบเนี่ยก็คือหมายถึงที่11ทังท้องนั่นแหละ ก็ไปโหน้าสนมากนาคจริงเรื่องการสร้างกุติครับสร้างกุติเกินประมาณแต่ว่าสมัยนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นยากกีก็กุฏิสมัยนี้นะจะไม่ใช่ลักษณะกุฏิที่เรื่อพูดถึง มาหรือว่าให้เป็นธรมธาาทร า, านเหมือนที่รับแสดงทำให้เขแต่บางทีเป็นกผู้หญิงนะนเราเรียกเข้าไปันก็ไม่สะดวกอยู่ในห้องอะไรที่บางทีล้วก็ดูโทรกันท์ชอบใส่จไม่ให้ธรรมะไม่เต็มครับไม่ได้ถ้าไม่ใช่ยาไม่ใช่ไม่ได้ไไดไยากนะพ่อแม่จริงแบบพ่อแม่ในตองเี้ครับพ่อแม่แล้วก็ มีให้ผลไม้อะไรนะพวกยากพวกยากก็ให้เลี้ยงมาให้นะมีให้ผลไม้ให้ดอกไม้นะครับเขาที่รักษาเอาไปให้ได้โดยตรงก็คือพ่อแม่ครัเอาไปให้โดยตรงแต่ถ้าจะยากนี้ไม่พูดมีให้ดอกม้ให้ผลไม้เนี่ยให้เรียกเข้ามาเอาอย่างเดียครับให้เรียกเข้ามาเอาอย่างเียนะแต่ตอนมีให้ดอกไม้ดูสัตว์ในสุสานไทยนะครับเลี้ยงมา ตาตาเนั้นนะครับนั่ือว่าพ่อแม่ถ้า เ, ออเป <c oughs> เคค็นอนห้องนะเรียกเขาไปอ๋อเราเรี ย, ยกอะที่ยอะไปทำไมคนว่างก็ไม่มีก็มีแต่อะไรนะบาร์ปรลาร่างเี้ยปลานนความจอิก็เจอเจอแต่แค่นี้แะครับเจอแค่นี้นะดากไม้ผลละไม้ ความจริงอะดอกไม้เขาจะพูดถึงนะเอาว่าอยู่ใน น, น, นู่นนะค ร, รับมันจำได้คลาสในสารดิสเตเขาเรียกศิรนั่นที่บายละเอียดเลยครับค <c oughs> ่อยมาเจองั้นได้ไหมผมจำไม่ค่แม่นก็จะพูดถึงที่ว่าถ้าโยมมาขอเร า, หาให้ให้ได้ดอกไม้ประสงค์ไม่ได้ผงแหนมันมีเกลือครับให้ได้แต่ให้ก็ก่อเข้าบูชาเสียบูชา ะะแต่จะให้เข้าไประดับข้อนตรงนะหรือว่าประวิชาสี่บารุงจนต้องอย่นี้ไม่ได้ต่อไปครับคงจะได้ขึ้นหัวข้อ